บทที่6บรรยากาศภายในพระอุโบสถถูกความเงียบเข้าครอบงำอีกวาระหนึ่งเมื่อผู้ตัดความหลงในสงสารทั้งสี่องค์ต่างก็พากันปรงธรรมสังเวทอากาศปลายเดือนมกราคมแม้จะหนาวเหน็บหากก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสนทนาของพระ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 กระผมอยากทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ท่านส่งสมเด็จพระเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกไปปราบขเขมรขอรับสมภารวัดป่ามะม่วงพูดขึ้นเพื่อทำลายความเงียบพระเถระเจ้าจึงเล่าว่าเราได้สั่งให้สองพี่น้องคือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีนำทัพไปปราบจลาจลในขเขมร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 พระที่เป็นปุตุชนจะไหวคฤหัสถ์ที่เป็นพระโสดาบันได้หรือไม่ถ้ารูปไหนตอบว่าไม่ได้ก็ถูกลงโทษโ ด, ดยการเคี่ยนเราก็สั่งทหารว่าให้เคี่ยนต่อหน้าประชาชนการกระทําเช่นนี้ก็เพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่าเราเป็นคนสัญญาวิ ป, ปลาดผิดจากมนุษย์ธรรมดาสามัญไม่น่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกต่อไปพระเถระเจ้าสั่งให้เคี่ยนพระ แล้วไม่บาปหรือขอรับพระบัวเวยวถามด้วยความสงสยัยพระเถระเจ้าจึงขยายความว่าเราไม่ได้สั่งให้เขียนพระแต่ให้เขียนคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองหมายความว่าอย่างไรขอรับพระเถระบวชใกล้จะครบ 12, สิบสองพรรษาถามอีกหมายความว่าคนที่เราเขียนไม่ใช่พระคือเราให้หานักโทษประหารมาโกนหัว แล้วก็ให้นุ่งผ้าเหลืองไม่ได้มีการบวชแต่อย่างใดการถูกเคี่ยนก็ยังดีกว่าถูกประหารชีวิตมีใช่หรือดีกว่าขอรับเพราะการประหารชีวิตต้องเข้าข่ายปานาติบาตพระบัวเหียวกราบเรียนนั่นสิพระโสดาบันเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์จะกระทำปานาติบาตได้อย่างไรกันก็อย่างที่บอกแล้วว่า เราจะต้องทำเช่นนั้นก็เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของบ้านเมืองพระเทราเจ้ากล่าวด้วยน้ำเสียงเด็ดเดียวแล้วก็เล่าต่อไปอีกว่าเราก็ดำเนินตามแผนการที่วางไว้ทุกอย่างต่อมาทางอายุธยาก็เกิดมีเรื่องขึ้นแต่ก็ไม่ร้ายแรงเท่าไรเราสั่งให้พญาสรรยกกองทัพไปปราบ เสร็จแล้วให้ยกกลับมายังกรุงธนบุรีแล้วก็ล้อมพระจัชฐานไว้จับเราบวชเสีย้ยซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนกระนั้นก็ปรากฏว่ามีนายทหารที่จงรักพักดีแล้วก็มีฝีมือจะทำการต่อสู้เราจึงต้องประกาศแก่ทหารเหล่านั้นมีให้สู้เพราะบุญวาสนาของเราหมดแล้ว บ้านเมืองควรจะเป็นของพี่น้องเขาพระยาสันบังคับให้เราบวชแล้วก็กัก บ, บริเวณไว้ที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าวัดแจ้งซึ่งอยู่ในเขตพระราชฐานแต่ต่อมาพระยาสันก็เกิดกำเริบเสพสารอยากเป็นใหญ่เพราะหลงไหลในยศและก็อำนาจคงจะเหมือนนักการเมืองสมัยนี้กระมัง พระเถระเจ้าเปรียบเทียบสมภารวัดป่ามะม่วงจึงแสดงความเห็นบ้างว่ากระผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์สมัยจอมพลแปลกเป็นนายกรัฐมนตรีมีคนเขียนบทความมาลงกระผมยังจำมาได้จนทุกวันนี้เขาเขียนไว้ว่าตำแหน่งการเมืองเนี่ยมีสภาพเหมือนยาเสพติดใกลได้แล้วถอนตัวไม่ขึ้นและก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่าง ลืมตัวลืมตนคิดว่าตนเป็นผู้วิเศษที่วิเศษเลิศเลอกว่าคนอื่นประเทศชาติจะเป็นอย่างไรก็ช่างขอให้ตัวเองได้มีอำนาจได้เป็นคนบริหารประเทศตามใจของตนเองเท่านั้นกระผมไม่ทราบว่าคนเขียนเขาตั้งใจจะว่าจอมพลแปลกหรือเปล่าแต่กระผมก็มีความเห็นว่านักการเมืองจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมด ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดทั้ทงนี้ท่านั้นเพราะพวกเขายังตัดความหลงในสงสารไม่ได้จึงต้องเวียนว่ายอยู่ในสงสารสาครอีกนานพระเถระเจ้าบอกเหตุผลกระผมอยากฟังพระเถระเจ้าเล่าต่อขอรับพระบัวเหวียวพูดขึ้นขณะที่หลวงพ่อในป่านั่งขัดสมาธิหลับตาฟังไปเรื่อยๆ ตกลงเราจะเล่าต่อสรุปว่าพระยาสันเกิดลืมตัวพระอยากเป็นใหญ่หรือจะเรียกว่าลหลงไหลในตำแหน่งทางการเมืองก็ได้เมื่อจบเราบวตแล้วพระยาสันก็ น, นำเงินที่เราเก็บไว้เพื่อให้สหายของเรามีไว้ใช้ในเวลาที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินไปแจกจ่ายซื้อความเป็นพวกคือเอาเงินซื้อพวกซื้อเพื่อน เพื่อการสนับสนุนบัลลังก์ของตนเหมือนที่ผู้แทนสมัยนี้ซื้อเสียงกันพระเถระเจ้าเปรียบเทียบอีกจากนั้นพญาสันก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์ทางกรุงทนบุรีก็ส่งข่าวไปยังสหายของเราสมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกจึงได้นำทัพกลับมาถึงวัดสเกตก็มาพักทัพอยู่ตรงนั้น พวกทหารนายกองและขราชบริพานก็อัญเชิญให้ถลิงราชสมบัติวัดสเกตเดิมชื่อวัดสแกเมื่อสหายเรามาสะผมที่นี่และแต่งกายให้ดีเพื่อเตรียมตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินวัดนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดสแกมาเป็นวัดสเกตเมื่อสหายเราเข้ามากรุงธนบุรีในฐานะพระเจ้าแผ่นดินก็สั่งให้ประหารชีวิตพระยาสัน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 จึงมีเพียงสองคนคือสหายของเราและก็น้องชายของเขาเพราะได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วหลังจากประหารชีวิตเราเสร็จแล้วในเวลากลางคืนสหายของเราก็ส่งเราไปนครศรีธรรมราชโดยออกไปทางรา ช, ชบุรีไปพักอยู่ที่ปากท่อกอนจากนั้นจึงไปที่นครศรีธรรม ร, ราชสหายของเราและน้องชายของเขาก็ได้บำรุงเลี้ยงเราอย่างดี นี่คือความจริงซึ่งไม่ตรงกับประวัติศาสตร์บันทึกไว้ก็อย่างที่เราบอกแล้วว่าบุคคลที่รู้ความจริงในเรื่องนี้มีเพียงสองคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกกับพระยาสุรสีสหายของเรากับน้องชายของเขามีได้เป็นสามัญชนอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจแท้จริงเขาเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าแผ่นดินแห่งสุขโขทยัย เหมือนที่เราเป็นกษัตริย์เพราะเป็นโอรสของพระเจ้าบรมโกศหากไม่มีเชื้อสายของกษัตริย์ก็คงจะเป็นกษัตริย์ไม่ได้เพราะคนที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นจะต้องมีบุญวาสนามาก่อนม่ใช่ว่าอยู่ๆจะ ก, ก้าวจากสามัญชนมาเป็นพระราชามาหากษัตริย์เป็นไปไม่ได้แต่เคยเป็นกษัตริย์แล้วกลับเป็นสามัญชนได้ใช่ไหมขรับอย่างเช่นหลวงพ่อของกระผมเป็นต้น พระโบเฮียวอดเสื่ไม่ได้ที่จะเย้าพระอุปชาหลวงพ่อของท่านเป็นสามัญชนก็จริงแต่ท่านก็เป็นอริยะวง์ซึ่งถือเป็นเชื้อสายวงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเราท่านและหลวงพ่อในป่าการจะเป็นเชื้อสายของอริยะวง์ได้จะต้องบำเพ็ญบารมีกันมาหลายพบหลายชาติยากยิ่งกว่าการเป็น ราชามาหากษัตริย์เสียอีกพระเถระเจ้ากล่าวเสียงเรียบท่านพระครูจึงเรียนถามว่าพระเดศพระคุณขอรับหากกระผมจะกราบเรียนถามเกี่ยวกับพระอรรถที่มีพระนามว่าเจ้าฟ้าเหม็นจะได้หรือไม่ขอรับท่านคงอยากทราบข้อเท็จจริงเรื่องเจ้าฟ้าเหม็นเป็นกระบฏในรัชกาลที่สองใช่ไหมขอรับแต่ถ้าพระเดศพระคุณไม่ประสงค์จะตอบ ก็ไม่เป็นไรขอรับพูดอย่างเกรงใจอยากรู้อะไรกอถามได้เราไม่มีอะไรจะต้องปิดบังอีกต่อไปและจึงเล่าเรื่องเจ้าฟ้าเหม็นว่าเจ้าฟ้าเหม็นเป็นโอรสของเราที่เกิดจากธิดาของสหายเรากล่าวคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนอกจากจะเป็นสหายของเราแล้วยังเป็นพอตาของเราอีกด้วย ท่านย่อมทราบดีว่าคนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นมักจะมีนางสนมกำนันมากมายแล้วก็มีโอรสธิดาเต็มบ้านเต็มเมืองเจ้าฟ้าเหม็นจึงมีสักเป็นหลานของราชการที่สองต่อมาก็ได้คบคิดกับน้องสาวเพื่อก่อกระบฏแต่ถูกราชการที่สองทรงจับได้เสียก่อนจึงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตทั้งพี่ทั้งน้องนอกจากนี้ก็ยังมีพวกทหารคนสนิท และขราชบริพานที่ร่วมกบฏในครั้งนี้ด้วยทุกคนถูกประหารชีวิตหมดใช้เวลาประหารถึงสี่วันกว่าจะแล้วเสร็จเรื่องก็มีเท่านี้กระผมยังอยากฟังเรื่องพระเถระเจ้ า, ากู้ชาติอยากรู้รายละเอียดว่าทำอย่างไรและสมเด็จเจ้าพระยามาหากริย์ศึกกับน้องชายของท่านได้ช่วยกู้ชาติด้วยหรือไม่ พระโวเฮียวกราบเรียนบ้างกระผมอยากฟังเรื่องที่ท่านทํานุบบารุงพระศาสนาหลังจากกู้ชาติสำเร็จแล้วอาจารย์เห็นพ้องกับสิทธิพระเถระเจ้าจึงทูลรับรองว่าตกลงเราจะเล่าตามที่ท่านทั้งสองอยากฟังแล้วจึงเล่า ว, ว่า เมื่อกรุงแตกเราได้รวบรวมสมัครพักพวกตีฝ่าวงล้อมพม่าออกไปแล้วก็วางแผนที่จะไปตีจันทบรุรีเป็นลำดับแรกเราได้พามารดาแล้วก็น้องสาวไปฝากไว้ที่ราชบุรีก่อนจากนั้นก็มุ่งหน้าไปที่จันทบรุรีท่านมีน้องสาวด้วยหรือขอรับท่านพระครูถามขึ้นมีคือมารดาของเรา ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่าแม่นกเอี้ยงตามชื่อที่มารดาเราเรียกตัวเองทั้งที่ความจริงท่านชื่อหายองท่านไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเราเป็นโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงสร้างเรื่องขึ้นมาว่าท่านชื่อนางนกเอี้ยงมีสามีเป็นคนจีนชื่อไหายหองเมื่อคลอดเราแล้วท่านก็ได้สามีใหม่เป็นคนจีนและมีลูกสาว คือน้องสาวของเราสมัยนั้นผู้หญิงต้องพึ่งสามีคือต้องมีสามีหาเลี้ยงมิฉะนั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยากลําบากโดยเฉพาะคนที่เคยอยู่ในรั้วในวังเช่นมารดาเราเมื่อออกมาใช้ชีวิตแบบสามัญชนก็ ท, ทําไร้ไถนาไม่เป็นต้องพึ่งสามีไม่เหมือนผู้หญิงสมัยนี้ที่พึ่งตัวเองได้ พระเถระเล่าเรื่องราวของโยมมารดาและสหายของท่านกับน้องชายคือเจ้าพระยาสุรศีไปช่วยตีจันทบุรีด้วยหรือเปล่าขอรับท่านพระครูถามอีกยังไม่ได้ไปเพราะตอนนั้นบ้านเมืองกำลังระสำมรสาส ย, ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครก่อนตีจันทบุรีเราก็ได้ไปตั้งทัพอยู่ที่ระยอง ได้แอบซองสุมผูกคนแล้วก็อาวุธที่ถ้ำแห่งหนึง่งซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดถ้มวัฒนมงคลกิ่งอำเภอเขาชฉเมาเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดจันทบุรียังมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์หลงเหลืออยู่ในถ้ำนี้ขึ้นสนิมหมดแล้วเพราะเวลาล่วงเลยมาตั้ง280ปีเมื่อเราตีจันทบุรีได้ แล้วก็ตั้งกองทัพอยู่ที่นั่นสหายของเรากับน้องชายของเขาก็มาสมทบที่ยวเราประทับใจแล้วก็รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณสองพี่น้องมากก็คือเขาไม่ได้มากันลำพังสองคนแต่ได้ไปรับมารดาและน้องสาวของเราที่รา ช, ชบุรีมาด้วยจากนั้นเราก็วางแผนร่วมกันจะไปปราบกกเจ้าพระฟังซึ่งเวลานั้นไปอยู่ที่พิษณุโลก เพราะไปตีได้เมืองพิษณุโลกไว้เมื่อเรายกทัพไปตีพิษณุโลกได้เจ้าพระฝังหนีไปเราก็ยกทัพกลับมาที่อยุธยาแล้วก็รู้สึกสังเวชใจที่เห็นภาพของเมืองหลวงถูกทำลายย่อยยับกระทั่งคืนวันหนึ่งเราฝันเห็นสมเด็จพระนเรสวรมหาราชกับสมเด็จพระพลรัตพระอาจารย์ของท่าน อย่างที่เล่าไปแล้วเมื่อสักครู่เป็นอันว่าเมื่อเราย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ทนบุรีและสถาปนาตัวเราเป็นพระเจ้าตากสินหรือพระเจ้ากรุงทนบุรีแล้วจึงเริ่มแก้ปัญหาต่างๆซึ่งนอกจากจะเป็นปัญหาด้านศึกสงครามแล้วยังมีปัญหาเรื่องปากท้องของราษฎรกล่าวคือในช่วงที่บ้านเมืองเกิดศึกสงคราม ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เรียกกันว่าข้าวยากมากแพงรัศดรไม่มีข้าวและเกลือที่จะใช้บริโภคเพราะทำนาไม่ได้ถึงสองปีเราต้องซื้อข้าวและเกลือในราคาแพงมาแจกจ่ายรัศดรด้วยความสงสารแล้วก็เห็นใจในทุกขรอนของพวกเขาท่านลองนึกดูขณะนั้น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 พระเนนบินทบาดไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเวลาญาติโยมเข้ามานิมนต์กระผมไปเจริญพระพุทธมนตในงานมงคลต่างๆเขาถวายพัฒหารอย่างดีมีทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่กระผมกับฉันไม่ลงเมื่อนึกถึงลูกวัดว่ากําลังอดอยากปากหมองครั้นจะขอญาติโยมเขาให้ใส่ปิณโตมาถวายลูกวัดก็ไม่กล้าท่านพูดยิ้มยิ้ม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 มีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งท่านแนะนำว่าหากต้องการให้อุดมด้วยวัตถุธรรมและาศาสนธรรมก็ให้สวดธรรมจักกับวัตตนสูตรให้ได้พันจบกระผมก็เริ่มสวดมาตั้งแต่ปี 2,509 มาครบเอาเมื่อสองปีที่แล้วใช้เวลาสวดอยู่ถึง17ปี นอกจากนี้กระผมก็ยังสอนกรรมาฐานให้ญาติโยมเขาด้วยก็วัดเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับปีหน้าจะยิ่งเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเมื่อท่านได้พบกับสนเดชพระพลรัตน์วัดป่าแก้วซึ่งเราได้พบท่านมาแล้วพระเถระเจ้าผู้ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวของธนบุรีทานายพบที่ไหนขอรับพบในฝันเหมือนที่เราพบ พระเถระเจ้ า, าตอบและทำนายต่อไปอีกว่าท่านจะพบบทสวดพาหุงมหากาแล้วก็นำมาเผยแผ่ให้ญาติโยมเขาสวดกันบทสวดนี้จะเป็นถี่นิยมไปทั่วโลกเพราะเมื่อญาติโยมสวดพวกเขาจะเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ชื่อของท่านก็จะดังไปทั่วโลกดังจนกระทั่งมีพระธรรมทูตรูปหนึ่ง ซึ่งมีจิตริศยาเห็นความดังของท่านเขาทนไม่ได้เลยเขียนวิจารณ์ท่านด้วยถ้อยคำหยาบคายผ่านทางเส้นลวดไร้สายที่เรียกกันว่าเว็บไซต์ถึงเวลานั้นท่านจะทำอย่างไรพระเถรเจ้าทดสอบคุณสมบัติทางใจของสมภารวัดป่ามะม่วงกระผมจะทำได้ก็คือเกิดธรรมสังเวท สังเวทว่าผู้ทําหน้าที่เป็นธรรมทูตแต่ขาดคุณสมบัติของธรรมทูตที่พระพุทธองค์ทรงวางหลักเกณฑ์ไว้ในโอวาทปาติโมข้อ8กับข้อ9คืออนูปวาโทอนูปคาโตการไม่กล่าวร้ายหนึ่งการไม่ทำร้ายหนึ่งคนที่จะสาเร็จมรรคผลจะต้องไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายใคร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 ในศาลวัดอรุณราชวรารามความตอนท้ายาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่โยงคู่องค์กรสัตรตาพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาทิทฐานสอนญาติโยมโดยเฉพาะญาติโยมที่เป็นชาวทนบุรี ขอให้ทันบอกพวกเขาว่าถ้ารักเราก็ขอให้ตั้งใจสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานแล้วก็จะรักษาชาติรักษาพระศาสนาไว้ได้ช่วยบอกพวกเขาว่าพระศาสนาจะอยู่ได้ก็โดยการปฏิบัติเท่านั้นลาพังปริยัติอย่างเดียวไม่อาจรักษาพระศาสนาไว้ได้ในอนาคตจะมีการบิดเบือนพระธรรมคาสอน เกิดสัตธรรมปฏิรูปเขาจะสอนศาสนาตามใจของเขาที่ต้องการให้เป็นอะไรที่เขาปฏิบัติไม่ได้เขาก็จะตัดทิ้งไปถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่เอาพระพุทธศาสนาเข้ามาไว้ในใจก็จะไม่รู้คำสอนที่แท้จริงของพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องนี้สำคัญมากการที่เรามาพบท่านก็เพื่อจะมาบอกเรื่องนี้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 ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่สมภารวัดป่ามาม่วงพูดเสียงหนักแน่นนอกจากพระธรรมคาสอนจะถูกบิดเบือนเหมือนที่พระยาตากพูดแล้วาศาสนิกอื่นที่คิดร้ายต่อพระพุทธศาสนาก็จะพากันทำลายพระพุทธสถานจะมีการระเบิดภูเขาที่สลักองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อจะทำร้ายให้สิ้นซากจะไม่ให้เหลือสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ดังนั้นหากชาวพุทธไม่เอาพระพุทธศาสนาไว้ในใจด้วยการปฏิบัติธรรมจเจริญพระกรร ม, มาฐานพระพุทธศาสนาก็จะหมดไปในที่สุดหลวงพ่อในป่าพูดทั้งที่ยังหลับตา